ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องปัจเวคขณะสมาธิในข้อต่อไปคือได้พูดมาเรื่องอปินหาปัจเวคขณะมาสองข้อนะฮะคือแก่กับตายแอบแก่กับป่วยในข้อต่อไปก็ส่งสอนว่ามนณธทรโมหิมรนังอาณติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ตามปกติชีวิตเราที่เราเรียกว่าสภาวะทุกข์คือทุกตามสภาพของมันเน่ยคือเกิดแก่ตายตอนนั้นก็เป็นทุกจรอย่างความเจ็บเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุกจรเฉยๆแต่แม้แต่การพลาดพลากสูญเสียต่งตางๆก็เป็นเหตุแห่งทุกจรมันไม่ใช่ทุกจร ทุกจริงก็คือชาติชรากับมรณะตอกนั้นก็ถือว่าเป็นทุกจรเราก็ตั้งปัญหาถามว่าชาติก็ดีชราก็ดีมรณะก็ดีเนี่ยแต่แม้แต่ความเจ็บก็ดีว่าเป็นทุกยังไงเป็นทุ ก, ก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยปัจจัยให้เกิด มันก็มีกิเลสมีกรรมเลยเป็นตัวหลักแล้วก็สร้างขึ้นมาไปเป็นปฏิสันธิวิญญาณก็ไปถือกําเนิดตามแรงส่งของกรรมรือตามการปรุงแต่งของกรรมแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็กลายเป็นอาการของชาราความเจ็บมันก็คือการคงสภาพเดิมไม่ได้อีกประการหนึ่ง เป็นความเปลี่ยนแปลงที่แทรกซ้อนขึ้นมากับความเปลี่ยนแปลงเดิมเพราะันพวนี้จึงถือว่าเป็นพอเกิดมาแล้วแกก็จะมีการแผดเผามีการทำให้เกิดความร้อนร้อนชัดเจนที่ตัวความแก่ตัวความเจ็บแล้วก็ก่อนตาย แต่ลอดถึงการพระธาตาสูญเสียความสูงความร่ำไร่รำพันต่างๆด้วยตะวเจนในาการเสียแทงนีชัดเจนทีนี้ความแก่นั้นท่านจำแนกแสดงไว้หลายระดับด้วยกันหลายหลายแนวด้วยกันนะฮะแนวหนึ่งก็คือเป็นการแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่เรียกว่ากาลมารณนะคือตายเมื่อถึงคราวที่จะตาย วันนี้เราแก้ไขยังไงมันก็ไม่รอดนะครมันเหมือนกับการป่วยของคนที่ทรงแสดงไว้เป็นสามประเภทประเภทหนึ่งจะรักษาหรือไม่รักษาก็หายประเภทหนึ่งต้องรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายอีประเภทหนึ่งจะรักษาหรือไม่รักษาก็ตายนั้นก็แสดงว่ามันถึงข่าวตาย อย่างที่โบราณท่านเตือนท่านให้กติเอาไว้ว่าไม่ถึงตายก็ไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเขียนฆ่าไม่อาสันถึงที่ตายก็ต้องตายวายชีวนันใครไม่ทันทำร้ายก็ตายเองมหาเรื่องตายจะได้แหละจนถึงกับท่านบอกว่ามาถึงที่ตาย ที่ตายเราก็กำหนดไม่ได้นะว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไรตายอย่างไรตายโดยวิธีใดเนี่ยเราก็ไม่รู้เรากำหนดไม่ได้แต่ว่าท่านบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วมันมีที่ตายอยู่แล้วซึ่งในกรณีนี้ท่านในปัจจุบันเรารู้สึกว่าอาจจะขัดแย้งนะเพราะคนส่วนใหญ่จะตายที่โรงพยาบาลเกิดก็จะเกิดที่โรงพยาบาล มันค่อนข้างจะฝืนธรรมชาติอะไรอยู่พอสมควรวันอทิษฎีกฎเกณฑ์ต่างๆที่เคยพูดกันไว้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ยุติโดยเหตุผลและความจริงแต่ว่ากาลารมณะนั้นก็คือตายจริงทีนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็เรียกอาการละบมรณะ คือตายในคราวที่ยังไม่ควรตายหรือไม่ถึงคราวที่จะตายแต่ว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างอย่างหนึ่งก็เกิดอาจจะเกิดจากความประมาทพลาดพรั้งของเราอย่างที่สองเราอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆหรืออาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทของบุคคลอื่นหรือเกิดขึ้นจากการทำร้ายของบุคคลอื่นที่ประการหนึ่งี่มันมีอุปเฉตกกรรม คือบาปรกรรมกุศลต่างๆในอดีตชาติเนี่ยเข้ามาตัดซึ่งบางครั้งบางคราวนี่มันนอกวิสัยคือพ อ, พอพูดถึงเรื่องกรรมประเภทนี้มันก็นอกวิสัยที่ใครจะไปแก้ไขได้อย่างคนระดับบารมีจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้เป็นพระอรหนะันต์น่ะแต่ท่านไปแก้ตรงนี้ไม่ได้ ผู้เจ้าเองรู้แสนรู้นะะแต่ก็แก้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องกรรมเฉพาะตัวของคนมีพระพายะธรุจิรยะมีท่านในโจนขาแดงแะอะไรแต่ไรเนี่ยพระพายะธรุจิรยเนี่ยก็หลงตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์เพียงเพราะเกิดอุบัติเหตุเรือแตกแล้วก็กระสือกระสนว่ายน้ำเข้าฝั่ง มีเครื่องนุ่งหมก็เปลือกไม้ใบไม้มาหุ้มหอ่อห่อหุ้มร่างกายทําให้คนตื่นเต้นนึกว่าเป็นพระหรันเป็นผู้เสียสละอย่างสูงก็ให้ความเคารพนับถือท่านก็ชักจะมันในบทของพระราหารันขึ้นมาจนมีอนาคามีพรมมาตักเตือนให้สติ บ, บอกว่าไม่ใช่เป็นพระหันรหรอกเธอไม่รู้ว่าทางอะไรเป็นพระหรันได้ซ้ําไป เรื่อนี้รเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วขณะนี้ประทับอยู่ที่สาวัสถีให้ไปเฝ้าและพระเจ้กาก็จะบอกก็จะประทานทำเพื่อความเป็นราหันให้ถ้ามีความเชื่อมั่นท่านไปเดินทางโดยไม่พักท่างกังวนยังคืนนะครับถ้ามีลักษณะของคนที่ตื่นตัวหรือเราอาจจะพูดเราเป็นลางสังห์อะไรก็ได้มาถึงไม่เจอพระพุทธเจ้าที่ประเชศตะวัน ไปถามบอกว่าเสด็จออกบิณฑบาตท่านก็ตามไปเลยนะฮะไปถึงเจอพระพุทธเจ้าท่านก็ก็เชื่อมั่นขึ้นมานะไปะเห็นท่านก็เชื่อมั่นขึ้นมาก็ปเป็นพระเจ้า ก, ก็ขอให้แสดงธรรมเกิดปีติปราโมทย์มากไปเห็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าแล้สั่งให้รอก่อนมาเวลาเนี้ยตั้งกับพระองค์กวางบิณฑบาตอยท่านบอกว่า พระองค์จะรู้ได้ยังไงว่าจะรอพระองค์บินทบาทเสร็จเฉลิมเสร็จเนี่ยข้าพระองค์อาจจะตายแล้วก็ได้หรือพระองค์อาจจะนิพพานไปแล้วก็ได้เห็นว่าตื่นตัวเรื่องชีวิตขนาดนี้ไม่ใช่เล่นนะฮะตื่นตัวมากเลยแม้เป็นขณะก็ยังนึกชมมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปโปรดนางจุลสุภัทาซึ่งอยู่ที่ เมืองอุค่านะอุค่าชนบทก็ไกลจากสาวัตถีบ้างแต่ว่าวันนั้นแหละพระโมคค า, านณะท่านไปรับนิมนต์ในานามสงไว้ว่าจะไปฉันที่บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งผู้เจ้าบอกไปบอกคืนเสก่อนต่นเศรษฐีบอกว่า จะบอกคืนก็ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าต้องรับประกันว่าพรุ่งนี้เนะี่ยท่านไม่ตายท่านยังมีโอกาสอยู่ถวายทานได้แล้วก็ให้รับประกันศรัทธาให้รับประกันทรัพย์ก็จะไม่เสือ่อมให้รับประกันชีวิตก็จะไม่ตายให้รับประกันศรัทธาว่าจะไม่เสื่อมไปสามเรื่องนะครัะพุทธเจ้าบอกว่าทรัพย์กับชีวิตพระองค์รับประกันให้แต่ศรัทธาเป็นเรื่องถือต้องรับประกันเอาเอง อันนี้คือแสดงั้งการมองชีวิตในลักษณะที่ตื่นตัวสูงมากมองเห็นความตายนี่รออยู่เฉพาะหน้าแต่จะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้เพราะมันมีอาการละปรนาอยู่ดังกล่าวตอนพระพายาธุจิตยะก็มีลักษณะอย่างนั้นนะนะพอเสร็จแล้วในที่จริงพระเจ้าไม่แสดงเนี่ยเพื่อต้องการจะลดปีติท่านไปหน่อยเพราะว่าปีติทั้งขึ้นมากใจบังฟูมากเกินไป ไม่สามารถที่จะแสดงธรรมะได้เออไม่ยังไม่มีความพร้อมเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะต้องเป็นสมาธิและให้ดีก็อยู่ในสมาธิเอเบขาเบขาก็คือเพ่งได้เลยนะฮะสมาธิมันตั้งมั่นอยู่แล้วพอฟังปั๊บจับไปที่กระแสธรรมะได้เลยจิตมันพร้อมพุธเจารับสั่งสั้นๆ พอไม่เห็นเมื่อได้ยินเมื่อได้ทราบเมื่อได้รู้ก็ให้คิดว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าทราบสักแต่ว่ารู้นี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่นำมาปรุงแต่งรุงคิ ด, ค, ดคิดปรุงอะไรท่านพิจารณาตามแล้วก็บรรุมรผลเป็นพระหรันแล้วขอบวชพู้เจ้าทรงรู้นะฮะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยได้รับสั่งให้ไปหาเครื่องบริการมาก่อน ทันค่อยหลังไปนิดเดียวนะฮะก็ถูกโคควิดตายเขบอกว่าโคตัวเนี้ยมันที่จริงมันไม่ใช่มันควิดด์ดลําพังของมันเป็นนางยักษกินีที่เข้ามาสิงของมันแล้วก็อาศัยร่างของมันมันควิดพระตายแต่ถามว่าทําไมนางยักษกินีนั้นจึงมาอาฆาตพยาบาทเรากับพระขนาดนั้นที่จริงก็ตอนนั้นยังไม่เป็นพระอะฮะถ้ารูปร่างกายแล้วยังไม่เป็นพระก็ะยังแต่งชุดคาราวาสู แต่ว่าโดยจิตแล้วเป็นพระอาเป็นพระแล้วนะฮะเป็นพระอรหันต์ก็ได้เขาบอกว่าในชาติปางก่อนไพรมนานเนกอะเลแล้วน ะ, ะพระพยายทธุจิรยะนี่เคยเป็นหนุ่มลูกเศรษฐีมีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยแล้วที่เขาแสวงหาความสุขจากผู้หญิงเนี่ยวันหนึ่งนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้ไปนอนกับผู้หญิงไปร่วมกันหลายคนนะสี่ห้าคน แล้วเสร็จลเลยไปค่าแย่งสมบัติก็้วยผู้หญิงคนนี้ก็เคยเลยอาฆาต จ, จองเวรจองล่างจองผานเกิดชาติหนึ่งพุง๊บใดก็ตามนะฮะก็ให้ได้ทำลายชีวิตคนเหล่านี้ตอนแกก็ติดตามมาในชาตินี้ท่านเหล่านี้ก็ความดีก็ส่งมาบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบ้างอารหันบ้างแต่ก็ถูกยักษินีผิดตายยักษินีสิงโคผิดตายหมด เนื้อแสดงที่นี่มันเปนพวกอากาลับปอนะมันมาแต่หลายเหตุไม่รู้เหตุอะไรอย่างในปัจจุบันในเราพบเรื่องแนวอากาลับอนะนี่บ่อยก็ อ, อย่างในกรณีแผ่นดินไหวในประเทศต่างๆเนี่ยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนหรอกแต่ว่าพอดีไปอยู่ในสถานที่นั้นมันไม่จะตายแบบกาลับอนะแต่ตายแบบอากาลับอนะ คือไม่ถึงคราวที่จะตายแต่ว่ามันเกิดไปสัมพันธ์กับสถานที่กิจการเหล่านั้นเข้ามันก็ทําให้ตายหรือบังชีมันก็ยังไม่ถึงคราวจะตายอย่างในกรณีที่เครื่องบินระเบิดเมืก่อนนี่ยนะเคยเห็นว่าจะรอสักอีกไม่ถึงยี่สิบนาทีหรอกเพราะว่ายี่สิบนาทีนี่ก็ูดถึงเครื่องออก ก็เรียกว่าประมาณสักสิบนาทีเนี่ยคนก็เริ่มทยอยขึ้นกันแล้วก็ขึ้นไปเยอะแล้วนะฮะสิบนาทีเนี่ยที่จริงไอ้ยี่สิบนาทีเนี่ยเครื่องอาจจะขึ้นแล้วหรือเครื่องแท็กซี่แล้วตอนนั้นเน่ยเรียบร้อยเลยแต่มันก็ตายอย่างแพีคนเดียวก็ถ้าหากว่าระเบิดช้าไปกว่านั้นอีกยี่สิบนาทีโก็โน่าสลดเรื่องใหญ่มากเลย ทีนี้เอการตายแนวหนึ่งเนี่ยคือก็เป็นเรื่องของชีวิตเพราะว่ามนุษย์เราในจริงๆไม่ได้ตายจริงนะฮะได้ตายเล่นๆเพราะฉะนั้นถ้าพระอรหันต์แลนี่ท่านเรียกว่าสมุทเฉทธรรมรณะคือว่ายุติกิเลสยุติกรรมยุติสังสารวัตรไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีกระบวนการต้องเกิดแก่ตายเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดกามที่ตัวนำไปเกิดมันดับ่อถูกทำลายไปแล้วพระหานท่านยังเรียกว่าสมบุบเจตมรณะทีนี้พระหานั้นอาจจะมรณะในอาการะก็ได้ากาลักก็ได้อย่างที่บอกนคือมันมีตัวแทรกเข้ามา บางทีพระอราหันต์คือคนที่สร้างบา ร, รมีมาจนแก่กล้าจะ บ, บรรลุมรรคผลเป็นอราหันต์แล้วเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งว่าท่านจะต้องบรรลุมรรคผลเป็นบางก่อนจึงจะนิพพานแต่ว่านิพพานตรงไหนไม่รู้บางทีี่ชีวิตดับกับกิเลสดับนี่ต่อกันเลยกิเลสดับปับ๊บชีวิตดับปุ๊บเลยก็เรียกว่าชีวิตต่สมรสี แต่ท่านเองนะฮะก็รอดคนเพียงแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสช่วยเหลือคือกูลแก่สังคมเท่าไหร่เพราะว่าท่านนิพพานไปก่อนแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ตายนิพพานด้วยความพยายามของบุคคลอื่นอย่างเนี้ยอย่างพระพรยะทรุจิริยะมีพระไพรยะคนบางท่านเนี่ยมันนิพพานไปด้วยความพยายามของบุคคลอื่นด้วยแม้แต่พระโมคคัลลานะ เนไหนิพานด้วยความพยายามของพวกโจรคือคนอื่นมาฆ่าแต่ว่ามันเป็นอุปเฉตต ก, กรรมหมายความมกกรรมในอดีตในตามมาตัดเพราะมุขลานะนั้นที่ยิงถ้าท่านไม่ให้ทำก็ใครก็ทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเพราะท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแล้วท่านก็หนีไปทั้งสองั้งนะถูกโจรล้อมจะฆ่าเนี่ยท่านหนีไปทั้งสองั้ง แต่พอครั้งที่สามท่านเห็นว่ามันนอกวิสัยมันกรรมมันตามมาทาันเราถามให้ท่านนั่งให้โจรทุกตีจนโยมเข้าใจว่าตายแล้วนะเลาจึงจากไปแล้วต่ใ น, นที่สุดท่านก็ทิฐานร่งกายให้คืนปกติภาพแล้วไปกราบทูลาพระพุทธเจ้าที่ประเวลุวันใกล้ๆเพื่อจะขออนิพพาน ปู่เจ้าก็รับสั่งให้แสดงธรรมเป็นการลาพวกน้งองๆนะแล้วก็ส่งสังสนเสริญแสดงธรรมแสดงปฏิหารต่อประพักเป็นกันมากแล้วก็ลาไปนิพพานในที่เดิมจิกาละศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิที่ในนะฮะในแต่ในภูเขาอิสิกิลิคือเป็นรรม จนกลายเป็นคาถาในการดอมาเรียกว่าคาถามโมคะลานประสานกระดูกพวกครูรุ่นเก่าเนี่ยเขาศึกษาแล้วเรียนกันเอาไปใช้เป็นคาถารักษากระดูกหักกระดูกแตกอ ะ, ะไร เ, เป็นคาถาของท่านอีกอย่างหนึ่งเป็นคณิกะมอนะคือคนเราตายอยู่ทุกขณะ หายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกเป็นตายเซนต่างๆในร่างกายเกิดดับเกิดดับก็ต่อเนื่องกันไปนะฮะเราจะเห็นว่าเราไม่อยู่นิ่งเลยส่วนที่สึกร้อก็สึกสึกรอไปส่วนที่เข้ามาซ่อมแซมก็ซ่อมแซมกันไปส่วนที่ออกมาเป็นเหงือเปนะ็นอะไรต่างๆอีกเป็นนั้นมากนั่นก็แสดงว่าเป็นคณิกะมนณะคือเราตายอยู่ทุกขณะชีวิตที่จริงมันเป็นเรื่องนี้เปราะบางเราไม่ต้องจะดับเมื่อใด หายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้ามันก็ดับแนละ้วยิ่งนึกนเป็นสมมติมรณนะคือสมมติว่าตายอ่ะมันไม่นนตายจริงอนะฮะคือได้แก่นคนตายทั้งหลายเนี่ยการแล้วก็เกิดตุติแล้วก็ปฏิสนธิก็เลยจุติไปปฏิสนธิจุติไปเป็นสนธิจุติไปปฏนสนธิจนชีได้วลาในกําเนเิดใดกําเนิดหนึ่นง อาจจะเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสุประพกเกิดโดยผุดขึ้นแต่ว่าไปปฏิชนที่นี่แน่นอนที่นี้ประการหนึ่งในท่านกำหนดด้วยอายุคือตายเพราะสิ้นอายุไขการตายเพราะสิ้นกรรมสิ้นทั้งสองอย่างนะตายเพราะสิ้นทั้งกรรมแล้วก็สิ้นอายุ ตายโดยไม่ทันชิ้นอายุซึ่งอาจจะสิ้นกรรมหรือว่าอาจจะเกิอดอุบัติเหตุจากการกระทำของบุคคลอื่นดังกล่าวตอนเราจะเห็นว่าชีวิตเราก็อยู่ในแวดวงเหล่านี้แต่ว่าเนื้อหาหลักจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่เราตายยุทกนาแล้วแต่ว่าเมื่อเรามองอีกทีหนึ่งาก็ไม่น่ากลัวตาย มันคนชั่วแต่นั้นเองที่น่ากลัธตายคนดีเนี่ยไม่น่าจะโกรธตายที่มีคนมากราบคูณถามถึงว่าคนที่ไม่ต้องกลัวต่อปรโลกเนี่ยพวกแง่คนไม่กลัวว่าตายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยกล่าวโดยสรุปก็คือคนทําความดีไม่ต้องกลัวมันประด็แง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยเหมือนกับการย้ายจากกระต๊อปไปอยู่ปราสาท มันเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากคนสามัญคนหนึ่งเนี่ยฮะเป็นเทพเจ้าเป็นเทพบระบุเป็นเทพธิดาเป็นพรหมเป็นอะไรขึ้นไปก็แล้วแต่เราจะทำความดีไว้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดคือปัญหาใหญ่ถ้าพูดถึงว่าคนที่ทำงานน่ยนะทำงานด้านหลักในเรื่องอะไรก็ตามนะฮะบางทีมันเป็นมองที่ว่าเออ ถ้าเราตายตรงนี้แล้วใครจะมาอยู่ตรงนี้ล่ะจะงานตรงนี้มันจะเดินไปได้ยังไงมันจะมองไปถึงคนอื่นมากกว่าที่จะมองที่ตัวเองแต่ตัวเองที่จริงเมื่อเรามั่นใจในบุญบา ร, รมีของเราแต่เราทําแล้วก็ตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะตายกันเพราะในตรงนี้มันก็ทําให้เราได้หลักสองอย่างย่อมึงก็คือถือเป็นเรื่องกติธรรมดา แในขณะเดียวกันก็ทำให้เรามองชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันจะประมาทในชีวิตนี่มาดูคล้ายๆกับตัวเองจะมีชีวิตค้ำฟ้าจะไม่รู้จักแก่เจะตายอะไรแต่อะไรต่อมนั้นก็ทำให้หลงเริ่งเพลิดเพลินหลงเรื่องอยู่ในโลกท่านก็กระตุ้นเตือน ให้ไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคความตายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนแก่ใครอย่างไรเนี่ยไม่มีใครรู้แต่ทีนี้ถ้าเราปวงปกได้ในเรื่องนี้แล้วก็เชื่อมั่นในบุญกุศลมันเกิดก็ดีเหมือนกันก็ย้ายจากกระตอบสักทีไปอยู่ป ร, ปปราสาทได้เลยตันลดให้สติ ไว้ในอุทานธรรมว่าคิดถึงความตายสบายนักปัญหารักหักตรงในสงสารบันด้อมืดโมหันอันตรการทำให้หารหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ต้องไปอีดังขังขอบไม่ต้องไปใส่ใจสนใจมันปัญหาที่เราจะต้องตอบก็คือว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ในเราทำประโยชน์อะไร เราอาศัยชาติเนี่ยชาติได้ประโยชน์อะไรจากเราชาติได้อาศัยอะไรจากเราเราอาศัยศาสนาศาสนาได้อาศัยอะไรจากเราเราอาศัยสกุลวงพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยถ้าเหล่านั้นได้อาศัยอะไรเราอันนี้เป็นคําตอบที่น่าศึกษามากกว่าเพราะว่ามันเป็นการให้ค่าตีแท้จริงแล้วเป็นตัวคุณค่าตีแท้จริงของชีวิต ชีวิตจึงไม่ได้อยู่ที่อายุยืนเท่าไรแต่ว่าอยู่ที่เราครองชีวิตอย่างไรคนบางคนที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทแมช้ชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่กวีกว่าคนที่มระานที่มีชีวิตอยู่เป็นร้อยรอยปีตอนเมื่อเรามาศึกษามามองในตรงนี้ก็จะมีความชัดเจน ในเรื่องชีวิตเรื่องโลกเรื่องชีวิตว่าเป็นเรื่องคติธรรมดาที่ผู้มีปัญญาเท่านั้นจะหาประโยชน์จากมันแต่คนโง่งั้นนั้นอาจจะประสบปัญหาจะเดือดร้อนอาจจะวิตกองบุญอาจจะไม่สามารถสงบจิตได้เพราะความหวาดกลัวต่อมอนภัยที่จะเกิดขึ้นซึ่งกลัวก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่กลัวก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็คือตายก็คือตายอย่างนั้นเอง ท่าฟังทั้งหลายแต่รลวงพ่พธิยาในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเถึงท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญก็งามไปบูลในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี